สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพยซู ต, ตอนที่สี่ร้อยสามสิบหกเรื่องการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งที่สองพี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับผมอยากจะขอทบทวนสั้นๆก็คือว่าการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ้นั้นกับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ้มีความขัดแย้งในระหว่างผู้เชื่ออยู่ในสองประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรกก็คือการเรียกสลับกันไปสลับกันมาระหว่างคําว่าบัพติศมาด้วยพิมพ์เยียมบริสุทธิกับคําว่าเปี่ยมล้นด้วยพิมพ์เยียมบริสุทธิ์ประเด็นขัดแย้งประการที่สองก็คือเรื่องอาการแสดงบางคนเน้นอาการแสดงบางสิ่งบางอย่างอย่างเฉพาะเจอดจงบางคนกล่าวหาว่าหากไม่มีอาการอย่างนี้ก็ไม่ได้รับพวิญญาณบริบสุทธิ์ หรือไม่ได้เปี่ยมโรนไดเพิ่มเี่ยมบริสุทธิ์พี่น้องครับผมได้สรุปเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าอย่าให้เราที่จะขัดแย้งกันด้วยเรื่องเหล่านี้นะครับเราจะไม่กล่าวหากันไปกล่าวหากันมาในเรื่องของคํานะครับคําศัพท์ต่างๆและเราก็จะไม่ที่จะบอกว่าใครนิ่มประสบการณ์แบบฉันก็จะเป็นคนที่ไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือเราก็จะไม่บอกว่าคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์และเกิดอาการแสดงต่างๆออกมานั้นก็ไม่ใช่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเมื่อเราเข้าใจกันและ ก, กันอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทะเลาะกันเราก็ไม่ต้องถัดแจ้งกันแต่พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะพูดนะครับพูด ถึงการเปี่ยมล้นด้วยพระเยซูสุดโดยที่เราจะเห็นจากาพระคัมภีร์ว่าสามารถที่จะแยกคนที่เปี่ยมล้นด้วยพระเยซูสุดนั้นออกเป็นสามประเภทจากาพระคัมภีร์ประเภทแรกนะครับก็คือประเภทที่เป็นลักษณะปกติของคริสเตียนที่ถวายตัวแด่พระเจ้าเราใช้คําว่าคุณลักษณะปกติของคริสเตียนนั้น พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เขามีชีวิตที่เต็มด้วยพญญญระวิญญาณเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณนะครับรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณหรือหรือรับการเจิมด้วยพระวิญญาณถึงครับเป็นลักษณะวิสัยปกติอันนี้เป็นประเภทแรกนะครับแล้วเจ น, นะครับพ่อผีพูดถึงเจ็ดคนที่รับการเลือกสรรออกมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อดูแลกันแจกทานนะครับบางนิกายเรียกว่ามัรคนายก พี่น้องครับคนเหล่านี้เป็นคนที่เปี่ยมล้นในพระวิญญาณทั้ที่พูดพร้อมทั้งมีชื่อเสียงดีมีสติปัญญาและมีความเชื่อเพราะฉะนั้นคำว่าสติปัญญาความเชื่อชื่อเสียงดีนะครับก็น่าจะเป็นคุณสมบัติของคริสเตียนบางทีสติปัญญาหรือความเชื่ออาจจัดเป็นของประธานพิเศษฝ่ายผิตวิญญาณ การที่พวกเขาเปลี่ยนด้วยเรื่องพึงยามบริสุทธิ์พี่น้องครับเหมือนกันครับก็คือทําให้เขานั้นมีความเชื่อมีสติปัญญานะครับมีความประพฤติ ท, ที่ดีทําให้เขากลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงดีพรอผิก ต, ตอนหนึ่งครับกล่าวถึงบาลาบัสกล่าวถึงบาลาบัสว่าเป็นคนคนดีประกอบด้วยพ่อพึงยามบริสุทธิ์และความเชื่อ สาวกที่อยู่ที่เมืองอันทิโอกก็เช่นเดียวกันครับในกิจการบทที่สิบสามก็กล่าวว่าพวกเขานั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มไปเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เพื่อมพี่บันทึกไว้หลายตอนทีเดียวครับพูดถึงสาวกของพระเยซูคนของพระองค์เป็นลักษณะปกติวิสัยของคริสเตียนทุกคนที่ถวายตัวแด่พระเจ้า นะครับนี่คือประเภทแรกประเภทที่สองครับก็คือเห็นถึงการรับพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์เพื่อปฏิบัติภารกิจหรือหน้าที่พิเศษนะครับการที่เปี่ยมร้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อปฏิบัติภารกิจหน้าที่พิเศษตัวอย่างเช่นยอนผู้ให้บัพติศมาพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงยอนผู้ให้บัพติศมาว่าเขาประกอบด้วยพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ ตั้งแต่คันมานดาเราเห็นว่านี่คือการสะเฟรมล่วงหน้าเพื่อหน้าที่เผยโพจชนะภารกิจแห่งการเผยพรจชนะหรือหน้าที่พิเศษสําหรับคนคนนั้นตลอดชีวิตกับเราจะเห็นครับว่ายอนั้นผู้ให้บัพติศมาท่านเองก็เป็นคนที่ทําหน้าที่เช่นนั้นตลอดชีวิตมาถึงอีกคนนึงครับที่เรารู้จักดีก็คือท่านอาจารย์พอลเดิมนั้น ท่านชื่อเซาโลแห่งคาทัศนะครับคนที่เจิเซาโลแห่งคาทัสก็คืออนาาเนียอนานเนียนะครับเขาบอกว่าเปาโลนั้นจะร่ยได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มบริบูรณ์นะครับอนานเนียพาดพิงถึงการที่เซาโลต่อมาชื่อเาเปาโลจะได้รับมอบหมายเป็นอัครทูตเห็นไหมครับ นี่คือภารกิจหรือหน้าที่พิเศษที่พระเจ้าแต่งตั้งเขาพระเจ้าเจิมเขาด้วยพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับนี่คือประเภทที่สองประเภทต่อไปครับประเภทที่สามการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นการเตรียมบุคคลสำหรับงานกะทันหันงานเร่งด่วนนะครับไม่ใช่งานตลอดชีวิตเป็นเพียงแต่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับ ยกตัวอย่างครับเสขริยาพรมพีบอกว่าท่านเปี่ยมล้นด้วยเพื่อนยำบริสุทธิ์เสขริยาซึ่งเป็นพ่อของยอนนะครับผู้พ่อของยอนผู้ให้แบบติศมาพรมพีกล่าวว่าเสขริยานั้นเปี่ยมล้นด้วยเพื่อนยำบริสุทธิ์นะครับเช่นเดียวกับภรรยาของท่านคือเอลิซาเบตครับก็เปี่ยมล้นด้วยเพื่อนยำบริสุทธิ์เห็นไหมครับเสขริยานั้นเปี่ยมด้วยเพื่อนยบริสุทธิ์นั้นเพื่องานกระทันหันก็คือกล่าวคําพยากรณ์ ถ้าพี่น้องรู้จําได้ใช่ไหมครับเสขาริยานั้นเป็นปุโรหิตครับหน้าที่เขาเนี่ยก็คือถวายบูชาไม่ใช่กล่าวคําพยากรณ์หน้าที่ของท่านเป็นปุโรหิตครับมิใช่ผู้เผยเพระชนะเพราะฉะนั้นเสขาริยานั้นครับการเจิมด้วยเพื่อนยามิสุดเปี่ยมล้นด้วยเยวยพิ่อนยามิสุดนะครับเติมเต็มหรือเต็มล้นด้วยเพิ่มนยามิสุดเพื่อจะกล่าวคําพยากรณ์นั่นเองอีกคนหนึ่งครับเปโตครับ เปโตนั้นได้รับการเจิมด้วยพระเมยมุสุดนะครับเพื่องานกระทันหันก็คือการกล่าวต่อหน้าสภาเซนเทดรินหรือต่อกลุ่มครขุนชนในเยรูซาเล็มนะครับก่อนหน้าที่จะเผยแพร่พระกิติคุณต่อไปมีการประทุษลายข่มเหงนะครับมีการหวังเอาชีวิตเนี่ครับคือการเจิมนั้นหรือการเตรียมรบนยพระเมรุสุดนะครับ หรือการเต็มร้นด้วยพ ย, ยัญชนั้นก็นำมาซึ่งกำลังนามาซึ่งความสามารถนำนั้นมาซึ่งสิ่งอาัศาจรรย์บางสิ่งบางอย่างที่จะสามารถอดทนต่อการข่มเหงได้พี่น้องครับนี่คือชีวิตของคนที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่เปี่ยมล้นที่เจมิมที่เติมเต็มหรือเติมล้นเต็มล้นด้วเพิ่งยามิสุดสามประเภทนี้องนะครับก็คือประเภทแรกเป็นลักษณะปกติตามนามธไทยของพระเจ้าประเภทที่สองก็คือรับภารกิจพิเศษตลอดชีวิตประเภทที่สามก็คือเป็นการเตรียมสําหรับงานกระทันหันงานเร่งด่วนหรืองานเฉพาะเจาะจง ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเข้าใจและให้เราสํารวจในชีวิตของเรานะครับเราจะต้องพยายามที่จะพะัฒน์หรือรักษาการเปี่ยมล้นด้วยพระวิ ญ, ญาณบริสุทธิ์นี้ไว้โดยการที่เราจะขอพระเจ้าช่วยเราที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ครับการเติมเต็มจากพระิ ญ, ญาณบริสุทธิ์จะมาถึงเรานะครับทุกวันทุกวันทุกวันด้วยไปอาเมน